50 languages. 24. 24. การนัดหมายคานิคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะ ดิฉันรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะนานูนินากากิอึดดกันเตคาดิดเดคุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือคะนินนาเบลีมบายโฟนอิลลเวครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะคะมุนดีนสลาสเรียดสสมัยเกบาครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะคะ มุ่ดีนบาริแท็กซี่อัลบาครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะมุ่ดีนสละวนดูฉัตริยันโนตกิดุดคนดูบาพรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะนารเลนันเกรเจยอิดเอพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะนารเลนาวูเบติมาโดนเว ขอโทษค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะชามิซินาเลย น, นันเกะอากูดิลล่สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทําหรือยังคะวารันเตจเกนิโนเยนาเธรู้การเร็รมวันนูหฮกที่คดิดเดียหรือว่าคุณมีนัดแล้วคะอธิวานินันเกยารันนาเรู้เบติมาดวการ์เร็รมาอเดย ดีฉันเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์นาวูมุนดีนวารนทเบติมาโดนาเยนดูนันนาสละเหตุเราไปปิกนิกกันดีไหมคะนาวูปิกนิกเกอฮโกรเวเราไปชายหาดกันดีไหมคะนาวูสมุทรตีรักเกโหโกรนเวเราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะ นาวู굿ได้เบตตาไกลเกย์ฮอกอนะดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงานนานุนินนุคัชเชรีอินดาคาริดุคอนโดฮอกุตเตเนดิฉันจะไปรับคุณที่บ้านนานุนินนุมเนอินดาคาริดุคอนโดฮอกุตเตเนดิฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารนานุนินนุ บ स न น ल ลดาน द ि द ินดೆ ದ ುริยุคนดูโ ತ กุตเต